ทีนี้คำว่าอาศัยตันหาละตันหาตันหาอันนี้หมายถึงว่าเห็นคนอื่นก็เป็นพระอารหันตัวโลภะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ละตันหาอันเนี้ยที่มูลของวัตตะเนี่ย อาศัยตันหาอยากเป็นพระอรหันเนี่ยเพื่อละตันหาที่เป็นมูลของวัตะหรืออีกชื่อหนึ่งก็อาศัยมานะละมานะอาศัยมานะบอกเอ๊เขาก็ เ, า ก, เาก็บวชเราก็บวชเขาก็สิทธ์พระพุทธเจ้าเราก็สิทธิ์พระพุทธเจ้าเขาก็เป็นพระอรหันกันทำไมเราจะเป็นมั่งไม่ได้อันนี้แหละอาศัยมานะก่อนแล้วปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหัน อรหัตตมรักเนี่ยทำลายมานะที่เป็นมูลของของวตะอีกเหมือนกันอันอาศัยอาหารและอาหารก็อาศัยกับพลิงกระหารเป็นต้นเป็นฐานให้ปฏิบัติธรรมใช่มเพราะคำที่เขาพูดทั่วๆไปนี้เขาให้ความหมายว่าอย่างไงละ่ะอันนี้ในคำพี ม, มีความหมายแบบนี้ในพิคุณีสูตรจตุ ก, การานิบาน โลภะตัวนี้ก็ต้องเกิดร่วมกับอกุศลอยู่แล้วล่ะ น, นะเป็นอกุศลแต่เป็นอกุศลอย่างเดียวที่ที่ในคัมภีร์ท่านบอกให้เจริญเป็นประเภทธรร ม, มะตัญหาคือคือจะเรียกอะไรดีโอ้โหคนนั้นก็อรหรันคนนี้ก็อรหรันคนนั้นก็อรหรันเราอยากมันเป็นพระอารหันบ้างถามว่าอยากมันไม่ได้มีเป็นศรัทธาตลอดเวลาใช่ม บางครั้งก็เป็นโลพาไอโลพาอันนั้นแหละเป็นอาศัยตันหาตัวนี้แหละเพื่อจะละตันหาที่เป็นมูลของวัตะที่เป็นมูลแห่งการเกิดในภพอย่างนี้เรียกว่าอาศัยตันหาละตันหาแต่ไม่ได้แปลว่าทำให้ตันหามันเกิดก่อนแล้วก็กำหนดรู้ตันหาซะอันนี้ไม่ใช่นะมีบางคนเขากล่าวว่าก็ถ้าตันหาเกิดก็จะได้กาหนดรู้ตัหาไง นั่นแหละเรียกว่าอาศัยตันหาละตันหาอันนั้นไม่ใช่คำสอนนะอ่าปกตูอย่างเดียวปัจจุตปะนิสยาปัจจัอออยอืมคือแสดงเพื่อให้มีอ่คือให้พระเสขะอยากเป็นบ้างอะ่ะเนี่ยนะ นั้นพระสูตรบางสูตรเนี่ยนะแสดงกับพระสพระเสขาบุคคลพระองค์จะแสดงคุณธรรมของพระอเสขาให้ฟังเพราะพระเสขะจะได้หวังใจว่าเราจะจะเป็นเช่นนั้นบ้างทีนี้เป็นความปรารถนาอันนั้นบางครั้งก็เป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศลใช่ไหมแต่ว่าถ้าว่าโดยรวมๆนะตันหาแบบนี้ที่อัตถกถาท่านบอกว่าควรเจริญขอให้มันมีตันหาอย่างนี้เถิดหน่มันเหมือนอะไรนะ รักเรียนอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็ส่วนใหญ่ก็ชอบใช่ไหมรักเรียนเป็นคนอะไรขยันประเภทนี้นะชอบแบบนี้มันดีแล้วชอบอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะตันหาบ้างสลับก็ไม่เป็นไรหรอกนั้นอาศัยตันหาคือความปรารถนาคุณธรรมชั้นสูงโดยเฉพาะมรรคผลนั่นแหละแล้วละตันหาที่เป็นมูลของวตะมานะก็ในยะเดียวกัน ส <c oughs> ่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ก็พรบอกว่าอาศัยตันหาละตันหาเนี่ยหมายความว่าเมื่อถ้าเกิดตันหาขึ้นแล้วก็ให้ก็ให้เอาตัวตันหานั่นแหละมาเป็นอารมณ์ <c oughs> พิจารณาเพื่อรู้ว่าตันหานั้นเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง <c oughs> จะได้ จะได้ละปัญหาได้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อมือก็ไม่ควรต่อการแพ่งอยู่แล้วละถ้าเป็นอาศัยแบบนั้นนะอยู่ในนิวรณ์บัพพาเนี่ยพระองค์สอนให้ทําอย่างนั้นไหมเมื่อการมฉันท่านิวรณ์มีอยู่น้าภายในก็รู้ชัดใช่ไหมกามฉันท่านนิวรณ์ไม่มีอยู่น้าภายในก็รู้ชัดกามฉันท่านิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใด ก็รู้ชัดการมาฉันท่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดการมาฉันท่านิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดไม่มีอะทำให้มันเกิดก่อนนั่นแหละแต่ก็จะกล่าวว่าเหตุที่จะทําให้เกิดการมาฉันทะเป็นอย่างไรถ้าเกิดแล้วเนี่ยแก้ไขอย่างไรท่านจะบอกวิธีเหล่านั้นนั่นแหละแต่จะไม่ไม่ส่งเสริมให้เกิดโดยประการทั้งปวง แต่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยในพระไตรปิฎกและอัตถกถาที่อ่านพบว่าเป็นอกุศลแล้วสอนให้เจริญเนี่ยมีอยู่เนี่ยในพิคุณีสูตรเนี่ยอัตถกถาเนี่ยอยากเป็นพระอรหันต<อ>์เพราะให้อยากอย่างนี้่ะว่ออยากดีนะ อ, อยากบรรลุมรรคผลนะคุณผู่ชมนะ ใช่มั น, นจะเป็นโลภะสลับบ้างก็ไม่เป็นไรชอบอย่างอืงก็ชอบมาตั้งเยอะแยะแล้วนะะเวะอากปกาคนลัอันนี้คนลังงานกันแล้วพระเทวทัศ์เขาอยากลงเอาพระพุทธเจ้าลงจากตำแหน่งเขาจะขึ้นเองคนละนายกันพี่มาดูอ่า อริยสัตหรือสัจจะนี้แบ่งโดยปริยาย4ประการทุกขสัตว์นี่แบ่งตามอาหาร4ประการนี่ยนะอาหารสี่ก็คือกัพลิงกระหานภาษาหานมโนสัญเจตนาหานและวิญญาณหานแล้วก็แบ่งตามอาหาร4ถ้ากล่าวกัพลิงกระหานอย่างเดียวเท่ากับแสดงรูปประคันทั้งหมดแล้วถ้ากล่าวภาษาหานก็เท่ากับกล่าว เวทนาขันหมดแล้วถ้ากล่าวมโนสันเจตนาอาหารเท่ากับกล่าวพบสามเรียบร้อยแล้วถ้ากล่าววิญญาณอาหารเท่ากับกล่าวปฏิสนธิจิตทุกดวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกขศัตร์ทั้งหมดก็คืออาหารสี่ประการสมุทัยศัตร์นี้แบ่งเป็นสีก็ได้คือมัดสี่ต้องละสมุทยัยนี่ ต้องใช้มักสีระดับนะจึงจะละได้เด็ดขาดตัวตันหาเช่นว่ า, าตันหาอันหนึ่งนี่แหละโซดาปฏิมากละอะไรละตันหาตันหาที่สัมปยุต ทิฏฐิอนนะโสดาปฏิมักทำลายตันหาที่สำปรยุทธ์กับมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดเนีนะนะสกะทาคามิมักทำลายกา마ตันหาอย่างหยาบสกทาคามิมักทำลายกา마ตันหาอย่างหยาบอนาคามิมัก ทำลายกามะตันหาอย่างละเอียดนาคามีมักทำลายก า, า, ามะตันหาอย่างละเอียดอรหัตมักละ่อะอรหัตมักทำลายรูปปราคาอารูปปราคานัน่น ทำลายตันหาในที่ยินดีในรูปประชานอรูปประชานยินดีในรูปประพบอรูปประพบอันนี้อรหั ต, ตมักละเพราะฉะนั้นสมุทัยศสตร์จะแบ่งเป็นสีประการก็คืออริต้องใช้มักสี่ระดับจึงจักละได้เพราะเชื่ออันนี้มันแรงมากนะถ้ากินยาไม่ครบสี่ชุดแล้วก็ไม่หาย กามตัญหาเนี่ยเช่นสมมติถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ยังมีกามตัญหาเต็มที่อ่ะนะพระสกะทาคามีเนี่ยลดไปครึ่งหนึ่งถามว่ากามตัญหาพวกนี้คืออะไรก็คือตัญหาในกามตัญหาในปัญจากามคุณนี่ไงตัญหาในเบญจากามคุณเนี่ย ที่ชอบรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยนะทัศนดาบันนี้ก็ยังชอบถือว่าเต็มที่อยู่แต่ว่าไม่ประกอบด้วยทิฏฐิพระสกท า, าคามีเนี่ยถือว่าละได้50ซพระอาหารหันต์ละอีกเอ่อขออภยัยพระนาคามีละอีก50เซตเพราะฉะนั้นพระนาคามีเนี่ยไม่ชอบวัตถุกรรมโดยประการทั้งปวงด้วยอำนาจกามราคะเนี่ยไม่มีเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นจะไม่ใช่อารมณาที่ปฏิของพระอนาคามีอีกต่อไป <c oughs> อ๋อไม่ท่านบอกว่าอย่างนี้นะว่าท่านเปรียบเหมือนเมฆเนี่ยถ้ากามตัญหาเหมือนเมฆนะไอ้เมฆถึงกับมืดทึบไปหมดเลยเนี่ย พระโสดาบันล ะ, ละได้ระดับหนึ่งนะสมมติว่ามันมืดจนมืดมิดเลยนะพระสกทาคามีเนี่ยออขอไปปุถุเนี่ยมันเหมือนกับว่าเมฆเนี่ยมันมืดแบบปิดมิดสนิทเลยนะมืดหมดเลยพระสกทาคามีเนี่ยท่านทําให้มันสว่างได้อ่ะคือหมายถึงว่ามันมันบางจนเมฆเนี่ยมันบางพอที่จะสว่างได้แต่ก็ยังมีเมฆโยพระนาคามีเนี่ย ปราศจากเมฆโดยประการทั้งปวงอันนี้เขาเรียกเขาจะถ้าจะแบ่งแบ่งแบบนี้นะเพราะท่านบอกว่าตัณหาของพระสกทาคามีเนี่ยเบาบางบางเหมือนอะไรบางแห่งบอกว่าเหมือนกับปีกแมลงแปลว่ปีกข้างในแมลงบางอย่างนะบางแบบนั้นถ้าเป็นเมฆก็เป็นเมฆแบบถ้าพัดบางดวงอาทิตย์ก็พัดแบบบางบางซึ่งปุถุชนเนี่ยจะเหมือนกับฝนจะตกทุกเวลาเนี่ย น, นะ แต่คือหยาบแต่ว่าไม่เท่าปุตชนคือถ้าพระโสดาบันก็หยาบถึงขนาดว่าก็อ๋อถือว่าเหลืออย่างหยาบแต่ว่ามันหยาบแบบอย่าเอาปุตชนเอาพระโสดาบันไปเปรียบกับท่านเลยคือคือมันห่างกันมา ก, ก น, นะ ก็คุณภาพของอริยมรรคเนี่ยประหารสมุทัยทั้งทั้ง4ี่นะถ้าไม่มรรคไม่ได้ระดับสี่มรรคก็ไม่สามารถที่จะละสมุทัยได้โดยเด็ดขาดส่วนพระนิพพานจะเรียกว่าสี่ก็ได้นิโรศสัตว์เนี่ยนะจะเรียกว่า4ี่ก็ได้เพราะเป็นอารมณ์ของมรรคสนะเพราะว่าโสดาปติมัรรคก็มีนิพพานเป็นอารมณ์สากท า, าคามีมรรคก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ อนาคามีมรักก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อรหัตตมรักก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นส่วนมรักจะเรียกสี่ก็โซดาปฏิมรักเป็นต้นนั่นเองโซดาปฏิมรักสกธาคามีมรักอนาคามีมรักอรหัตตมรักก็เรียกว่ามรักษสอันนี้เรียกว่าปริยายอัน น, นสัจจะแบ่งเป็นอย่างละสีอย่างละสีอย่างละสี่ ส่วนอริยสัตว์สนี้จะแบ่งทุกขสัตว์เป็นหก็ได้นะอันนี้คุ้นเคยกันบ่อยคืออุปาทานขันห้าว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกเนี่ยนะท่านก็ทุกขสัตว์คืออุปาทานขันห้าทําไมท่านจึงไม่ใช้คําว่าขันห้าขันห้ากับอุปาทานขันห้าเนี่ยต่างกันคือขันห้าเนี่ยกว้างเพราะมัคคิตผลจิตก็นับเนื่องในรูปประขัน ก็เป็นขันใช่ไหมแต่ไม่ใช่อุปาทานขันเพราะฉะนั้นคำว่าอุปาทานขันเนี่ยข้อความมีเฉพาะโลกิยธรรมทั้งหมดเรียกว่าอุปาทานขันโลกุตระธรรมก็เป็นขันแต่ไม่ใช่อุปาทานขันอนเพราะฉะนั้นขันกับคำว่าอุปาทานขันก็แตกต่างกันคือขันเนี่ยกว้างหมายคมว่าจิตเจตสิกทั้งหมดเรียกว่าขัน เรียกว่าขันจิตเจตสิกทั้งหมดเรียกว่าขันจิตเจตสิกรูปที่เป็นโลปิยะทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่าอุปาทานขันก็ท่านจึงล็อกเฉพาะแค่อุปาทานขันอุปาทานขันเนี่ยเป็นถือว่าเป็นทุกขสัตว์นียนะทุกขสัตว์เพราะว่าไม่ที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตานั่นแหละแล้วก็คําว่าอุปาทานขันคุ้นเคยกันนะว่าหมายคำว่าไง ว่างๆน่าจะเอาไปตรึกบ้างนะว่าอุปาทานขันารนี่หมายความว่ายังไงทำไมจึงเรียกว่าอุปาทานขันารในที่หนึ่งสองในที่สาม นะถ้าแยกเป็นศัพนะคำว่าขันหมายถึงขันห้าคำว่าอุปาทานนี่มีสองคือโลภะกับทิฏฐิเนี่ยนะโลภะกับทิฏฐิโลภะนี่เรียกว่ากามุปาทานกับอะไรได้อุปาทานเดียวใช่ส่วนทิฏฐินะดูทิฏฐิก่อนทิฏฐินี่คือทิฏฐปาทาน ศีและพตุปาทานอัตวาทุปาทานตัวที่ถีนี้ได้สามอุปาทานคือทิฏฐุปาทานศีและพตุปาทานอัตวาทุปาทานทีนี้พอสองคำมารวมกันเข้าเรียกว่าอุปาทานขันเพราะฉะนั้นโดยความหมายมีอยู่สามในหนึ่งขันที่เกิดจากอุปาทาน ขันที่เกิดจากอุปาทานเพราะฉะนั้นล็อกเฉพาะวิบากและกรร ม, มชรูปเท่านั้นเรียกว่าอุปาทานอคันนี่ความหมายที่หนึ่งนะเพราะว่าตันหากับทิฏฐิมันทําให้เกิดอะเป็นผลของตันหาทิฏฐิสร้างขึ้นนะตันหาทิฏฐิในอดีตสร้างขึ้น2ขันที่เป็นอารมณ์ ของตันหากับทิฏฐินั่นะนะอารมณ์ก็คือโคจรเ่ะนะเรียกว่าแหล่งโคจรของตันหากับทิฏฐนะิหรือวิสัยของตันหากับทิฏฐินี่เรียกว่าอุปาทานนะครับอะไรก็ตามถ้ายังเป็นที่ตั้งแห่งตันหากับทิฏฐิเป็นแหล่งโคจรเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นเป็น ที่รองรับตันหาทิฏฐิอันนั้นแลเรียกว่าอุปาทานขันในที่3ก็คือขันที่เป็นปัจจัยแก่ทิฐิอา่าเป็นปัจจัยแก่ตันหาด้วยนะขันที่เป็นปัจจัยแก่ตันหาและทิฐิอันนี้กว้างนะครัว่าปัจจัยนี้กว้างไหม ขันที่เป็นปัจจัยเนี่ยก็ว่ารวมๆก็เช่นทั้งโดยปกจตูปะนิสยปาปัจจัยใช่ไหมและอะไรอย่างจักรุู่สัมผัสเนี่ยเป็นเป็นปัตูปะนิสยปาปัจจัยแก่ตันหาใช่หมเป็นเป็นปัตูปะนิจักรุูสัมผัสเนยเป็นปกจตูปะนิสยปาปัจจัยของรูปปตัตนหาเพราะฉะนั้นพวกขันที่เป็น อุปนิสัยปัจจัยอ่ะ น, นะคำว่าปัจจัยนี่รวมทั้งปัจจุอารมมนูก็อยู่ข้างบนนะใช่ไหมก็คือก็ได้สองประการอ่ะนะใหญ่ๆ่เลยนะีก็คือปัจจุกับอนันตรูอนนี้กว้างที่สุดลนะหรือแม้กระทั่งขันอ่ะ น, นะสัมปยุทธกับตันหากัธิถี่อันนี้ตรงตัวแล้วใช่ไหมทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยเรียกว่าอุปาทานขันห้า แต่มีขันที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันห้าคือมรรคผลนะมรรคจิต4และเจตสิกที่ประกอบ35ผลจิต4และเจตสิกที่ประกอบ35เนี่ยตัวจิตนั้นเป็นวิญญาณขันเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขัน แต่มัคจิตพลรจิตและเจตสิกที่ประกอบที่เป็นนามขันศีไม่ น, นะไม่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยคือไม่ไม่ได้เกิดจากอุปาทานเป็นขันที่ไม่ได้เป็นอารมณ์ของอุปาทานและก็ไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานตัวโล ก, กุตระนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน เพราะฉะนั้นเป็นได้แต่ขันแต่ไม่เป็นอุปาทานนะขันทันมัคจิตและเจตสิกที่ประกอบเป็นได้เฉพาะขันแต่ไม่เป็นอุปาทา น, นขันเพราะไม่อยู่ในกติกาสามอย่างนี่ใช่ไหมเพราะไม่อยู่ในขอบเขตคือไม่ได้เกิดจากตันหาทิฏฐิไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นแดนโครจรของตันหาทิฐิแล้วก็เป็นมัคผลที่ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ตันหาทิฐิเลยเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเป็นขัน พ้นก็พิสูรรูปหนึ่ง บ, บอกขันกับอุปาทา น, นขันเนี่ยต่างกันหรือเอต่างกันไหมหรือทั้งก็ถามว่าขันก็อันนั้นอุปาทานขันก็อันนั้นหรือขันก็อันนั้นอุปาทา น, นขันก็อันนั้นหรือคือคือเ น, นี่ยที่เรียกยกตต็ต้องแยกตอบต้องต้องแยกตอบเพราะคําว่าขันนี่กว้าง คำว่าอุปาทานขันแคบเนีนะคำว่าขันนี่กว้างเพราะโลกิยะโลกุตระเป็นเป็นขันอันนัเพิ่มความรู้อีกนิดหนึ่งว่านิพพานเป็นขันทวิมุติแปลว่าพ้นจากขันพระนิพพานนั้นเป็นขันทวิมุติเพราะไม่ใช่ขันไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณไม่ใช่อะไรสักอย่างเลยเป็นขันทวิมุติ นิพพานนี่เอาออกไปเพราะฉะนั้นขันกับอุปาทานาขันก็กว้างขวางแตกต่างกันตัวขันที่เป็นมรรคผลนิพพานนั้นไม่ใช่ปริญญาธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ธรรม ท, ที่ต้องไปกําหนดรู้มันนะไม่ต้องไปทําปริญญาอะไรหรอกเอาไว้ให้ปัจเจเวบบรรลุ ก, ก่อนแล้วค่อยปัจเจเวก็พอส่วนอุปาทานาขันนี่แหละที่จะต้องเอามาทําปริญญาเพราะถ้าไม่ทําปริญญานะ อย่าลืมว่าพวกนี้เป็นแดนโคจรของตันหากับทิฏฐิวัตถุใดที่ไม่ทำปริญญาวัตถุนั้นจะเป็นที่โคจรเป็นที่ท่องเที่ยวไปของตันหากับทิฏฐิเนี่ยเพราะฉะนั้นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยท่านทำปริญญาในขันห้าจนตันจนทิฏฐิไม่โคจรพระโสดาบันนะทำปริญญาจนทิฏฐิไม่โคจร พระสกะทาคามีเนี่ยนะทำจนไอ้กามุปาทานอย่างหยาบไม่โครจรพระนาคามีก็การมุปาทานอย่างละเอียดไม่โครจรพระ่าหันจรจะละได้โดยเด็ดขาดคําว่ากามุปาทานกับการมราคานุสัยเนี่ยต่างกันกามุปาทานนั้นท่าหันจรจะละได้เนี่ยนะก็เกี่ยวกับธรรมะนะเกี่ยวกับเรื่องสับแสงนะมีรายละเอียดในนั้นอีกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะ ถึงว yeah ่าขันถ้าเราจะทําปริญญาในในอุปาทานขันเนี่ยนะฮะเราจะทําปริญญาอุปาทานขันเนี่ยซึ่งก็ก็สมุนนี้นะฮะอย่างผมอย่างอย่างเนี้ยเนี่ยขันห้าอย่างผมนี่นะฮะก็หนึ่งก็เป็นขันที่เกิดมาจากอุปาทานถูกไหมครับตันหาและทิฏฐิในอดีตเฉพาะเฉพาะส่วนที่เป็นนีบานนี่แหละตัวเดียวก็นี่แหละ ก็เป็นอารมณ์ถูกไหมฮะก็เป็นที่ลักที่ชังเป็นที่ด้วยทิฐิด้วยตัณหาของคนอื่นก็ได้ของผมเองก็ได้ถูกไหมฮะก็ตัวอันนี้นี่แหละถูกไหมฮะก็โดยเป็นอารมณ์ถูกไหมครับส่วนเป็นปัจจัยนี่นะฮะก็ก็ตัวนี้อีกแหะครับที่ว่าที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาแลทิฐิได้มันถ้าเราแยกๆดูนะอย่างในร่างกายของเราเนี่ยทั้งโลกของนามธรรมในรูปธรรมเนี่ย ตัวกมมรรมชโรบกับวิบากจิตเจตสิกเป็นขันธ์ที่เกิดจากอดีตตันหากบอุปาทานในอดี ต, ดตส่วนรูปทั้งหมดนั่นนะนะทั้งทั้งรูปสี่สมุทฐานจิตทุกชาติกุศลอกุศลวิบากกิริยาอันนี้เป็นแดนโคจรแห่งอุปาทานเป็นอารมณ์ของอ่าใช่ปาาเป็นอารมณ์ของอุปาทาน โจรก็คืออารมณ์เป็นอารมณ์ของใครก็ได้ของเราได้ของเราก็ได้าไดภายในก็ได้ภายนอกก็ได้โดยที่สุดแหมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมขันของพระพุทธเจ้าที่เป็นโลยะขันเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของตันหากและทิฏฐิข อ, ของคนอื่นเ น, น่ยนะส่วนขันเหล่านี้ถามว่าเป็นปัจจัยกับทิฏฐิไหมเป็นอยู่แล้วใช่ไหม ต, ตัวเองนี่แหละหรือคนอื่นก็ด้วยแต่ถ้าผู้ใดไม่ทําปริญญานะีหรือถ้าทําปริญญาไม่เสร็จอยากคิดว่าจะไม่เป็นปัจจัยแก่ทิฐินะตันหากาับทิฐินะถ้าไม่ทําปริญญาจนโสดาปฏิมากเกิดอยากคิดว่าจะไม่เป็นปัจจัยแก่มิชชาทิฐิในตอนหลังก็ห <c oughs> ู่ก็ข้อสนี่นะขันเป็นปัจจัยให้เกิดตันหากับทิธิเนี่ยก็นี่ตัวเองหนึ่งละเห็นชัดเจนถูกไหมครับ วามันเป็นปัจจัยให้เกิดการสาารณที่ทีได้คือขันตัวเองนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิด น, นะตอนี้สมมติถ้าคนอื่นคนอื่นก็ไปเข้าขัน อ, อันที่สองเถึงตัวเองอะนะถึงถึงตัวเองเนะี่ยเราก็มาแยกให้ก่อนนะรูปที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารจิตก็เป็นกุศลอกุศลวบาก กิริยาตัวกรร ม, มัชรูปกับวิบากจิตและเจตสิกนั้นน่ะเกิดจากอุปาทานนั่นน่ะเกิดจากอุปาทานของเราเองเนี่ยเมื่อใดที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ขณะใดที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ขณะนั้นขันนั้นเรียกว่าเป็นอุปาทานขันเพราะเป็นอารมณ์ของ อุปาทานเพราะว่างๆในบรร า, ากุศลนั้นมีทั้งสิบสองใช่ไหมก็มาแยกอกุศลที่เป็นโลภะกติฐิเนี่ยไปมีพวกนี้เป็นอารมณ์เมื่อไร่ขันเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นอุปาทา น, นขันเพราะเป็นที่อารมณ์ของอุปาทานทีนี้ในบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้คิดเรื่องตัวเองอะ่ะแต่มันชอบอะ่ะมันชอบคนอื่นหรือมันชอบวัตถุอื่นเนี่ยนะพวกนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิด อุปาทานเช่นมันมีวัตถุภายนอกเป็นอารมณ์นนะตัณหากับอุปาทานเนี่ยมีวัตถุภายนอกเป็นอารมณ์ เ, เพราะแสดงว่าไอ้พวกเนี่ยเป็นปัจจัยจึงเกิด อ, อุปาทานเช่นนะยกตัวอย่างว่ากุศลพอทํากุศลนะทำบุญเสร็จไหมสาธุชาติหน้าขอให้รูปสวยเหมือนดอกอังกาบขอให้มีชื่อว่าอโนชาตลอดไปก็ว่าไป น, นะพว่นี้แหละกุศลเป็นปัจจัยแก่ กาโมปาทานนี่ไงเพราะฉนั้นหรือทํากุศลแล้วตั้งปรารถนาด้วยอํานาจที่ถีว่าพอให้ไปเกิดที่นั่นจะได้ชีวิตอมะตะนี่นะพวกนี้ก็เป็นกุศลพวกนี้นะกุศลเหล่านี้จึงเป็นปัจใจแก่อุปาทา น, า น, นเพราะบางครั้งไม่ได้คิดเรื่องตัวเองเลยสักอย่างนะในภายในในขณะนี้นะเราไปชอบที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นขันร่างกายเนี่ย ทั้งทั้งส่วนของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยทั้งกุศลวิบากกิรยิยาเป็นตัดใจแกแกให้เกิดตันธ์ น, นั้นเจนทานมันก็อยู่ตรงนี้แล้ว่ผู้การนั่งคิดถึงกรุงเทพยอย่างเงี้ยนะโดยไม่ได้คิดถึงเนี่ยรอบๆอบนี้เลยอ่ะและขันตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยอะไรแก่ตันหาอันนั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่อุ ป, ปาทานก็มันก็วนๆอยู่นี่แหละ เวลาไปคิดถึงคนอื่นมันก็มันก็อุปาทานขั น, นะะเพราะมันเป็นแดนโคโจรของอันที่จริงนะฮะคิดถึงขันนอกตัวนี่นะก็คือมีปัญหาและทิฏฐิในตัวเองนั่นแหละจึงได้เป็นอย่างนั้นคือทางธรรมะนี่ต้องแยกเป็นขณะขณะขณะที่คิดถึงภายในก็ไม่ใช่ภายนอกขณะที่คิดถึงคนอื่นก็แสดงว่าขณะนั้นไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่เป็นปัจจัย อ๋อใช่ทางนี้ก็ก้าวชาติเลยพวกกันเอานัยยะมาจับเลยได้โอเคเอาหาระลักษณะาหาระถ้าพูดปัจจัยหนึ่งนะปัจจัยที่เหลือพูดหมดลนะไมใช่ครับผมไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอีกแล้วะครับเอาเข้าใจวัดเป็นอย่างนั้นจริงๆก็มันจะเอาโดยปัจจัยนี่มันกว้างขวางเลยแล้วละ่ะชิ่งไปหาต้นไหนก็ได้ เดี๋ยวพวกการเบื่อแล้วคนอื่นเบื่อตาเลยแย่เลยนะก็ถ yeah> so ้าเบื่อแล้วจะได้ดีก็จะเอามืกำลังตั้งอัตตาสมาปย่รอะอได้เ่เาสิ่งที่เรายังจำไม่ได้ยังไม่รู้มีตั้งเยอะาายานไตปิดกยังไม่ได้อ่านตั้งหลายเล่ม ต้องยอมว่านเจ้ะนะของมายัางไม่ได้อ่านตั้งหลายเล่มนะเล่มเก้าสิบเก้าสิบเอดเนี่ยพลิกนีดนิดนายังพลิกกับคุณบุญชูเลยนะพลิกโอ้วันละเล่มสองเล่มสบายมากแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะในแต่พลิกอย่างเดียวตั้งแต่เล่มแปดสิบขึ้นไปเนี่ยเนีเล่มเจ็สิบเก้าขึ้นไปเนี่ยของมาแทบไม่ค่อยได้อ่านเลยเพิ่งมาอ่านเล่มแปดิบสามไม่กี่วันเนี่ยอนุสัยยมกากรนะพอเลิกพูดถึ่งานอนุสัยก็ปิดไว้ก่อน